เมื่อมองฟ้าแม้มันเป็นคืนที่เงาฝืนใจไม่ยอมไม่หาฉันรอจะคุยกับเธออยู่นอกรู ก็มีแต่เธอเมื่อไรจะยอมเข้าใจดิกดื่นกำคืนเาอคงฝานวานไม่รู้ใครเป็นไงดิกดื่นกำคืนเาอจะนึกถึงมังไหมใครมา Bye. กเดียวก็มีแต่เธอเมื่อไรจะยอมเข้าใจอีกเดือนคำคืนเธอคงฟ้านวันไม่รู้ใครเป็นไงเดีกยวดื่กคำคืนเธอจะนึกถึงมั้ไหมใครมา y o u b r o u g h t e r me. ต้องหลับในตรงนี้ก็ตามไม่ได้ยินว่ารัสฉันจะขอเป็นยาบอยู่ประจําจนเช้าทุกวันเฝ้าบานให้เธอแม้ทุกทุกคืนต้องเงาฉันยังมีใจให้เธอแม้ทุกทุกคืนต้องหาวฉันยังคงรอ หวังให้เธอรักยา